ความคิดความเห็นของจิตใจหรือความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นกูจะทำความเข้าใจให้ถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปความดันดิชอบความชิดชอบ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 ว่าความชิดความเข้าใจความเห็นของตัวเองนี่จะผิดจะถูกยังไงฉะนั้นเอาหลักธรรมหลักวินัยนี่มาเป็นเครื่องวัดความชิดความเห็นของตัวเองจึงจะหายสงสัยจึงจะไม่มีเรื่องจึงจะไม่มีปัญหา ถ้าเผื่อเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์จากความคิดความเห็นเอาธรรมดีในมาเป็นเครื่องวัดอย่างนี้การควบคุมมันก็ไม่มีการควบคมุมความประพฤติความปฏิบัติตัวเองมันก็ไม่มี นอกจากไม่มีความรู้สึกในการควบคุมการดูแลพฤติกรรมของตัวเองแล้วยังพอยจะเป็นพิษเป็นภัยคนอื่นจะทักจะทวงจะตนินิตีติงก็ไม่ได้ไม่ยอมรับความไม่ยอมรับความคิดความเห็นจากบุคคลอื่น จะผิดจะถูกจะดีจะชั่วยังไงไม่สนใจพฤติกรรมจิตการอย่างนี้ก็ล้วนแล้วว่าไม่มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรมาเป็นเครื่องรองรับความผิดความถูกของตัวเองและบุคคลอื่นไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความถูกต้อง ฉะนั้นจริงเรานี่การศึกษาของพวกเราจึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะทำความเข้าใจไวให้มันถูกความรู้ความคิดความเห็นของเราแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีอาไรยังไม่มีทาไม่มีวินัยเพียงเครื่องรองรับความคิดความเห็น น, นั้นเอาไว้กลางๆไว้ก่อน อย่าไปพึ่งดวนตัดสินใจว่าความคิดอย่างนี้มันถูกความคิดอย่างนี้มันผิดเพราะเรายังไม่เข้าใจความผิดความถูกตามหลักธรรมหลักที่ในมาเป็นเครื่องวัด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 สิ่งไหนไม่ถูกกับทรรมกับวินัยพฤติกรรมใดสิ่งนั้นคืออยู่ในหน้าที่ของพวกเราจะต้องควบคุมควบคุมกิจกรรมความเป็นอยู่การกระทําทุกอย่างตัวเองควบคุมตัวเองตัวเองพูดควบคุมในคาพูดของตัวเองตัวเองชิดควบคุมในความชิดของตัวเอง ควบคุมไว้ทําไมก็เพราะพฤติกรรมที่ไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยมันเป็นพฤติกรรมของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลาย น, นั่นนะยวควบคุมมันไว้ถ้ารู้จักอย่างนี้แม้จะเป็นฆราวาสญาติโยมก็าตามมันไม่มีปัญหาเพศใดไวัยใดก็าตามไม่มีปัญหา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 บนบกก็ตามในน้ำก็ตามขึ้นชื่อว่าศาสตร์การเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีจิเลธทั้งนั้นมีตันหาทั้งนั้นจนั้นความคิดที่เป็นไปเพื่อจิเลธตันหานี้มันจึงผิดวันยังคำแลพระพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs>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 ส่วนยาบยาไม่พ้นจากทุกจากโทษขอบเขตของแม่บทกฎหมายควบคุมได้ถึงไหนขอบเขตของศิลธรรมที่ควา ม, ม, มละเอียดอ่อนละเอียดปราณีตรักษาถึงขนาดไหนพร้อมอยู่แล้วในนั้น <c oughs> เพียงแต่พอมีความสงบสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของคารวาดอุบาสุบาสิกาส่วนทุกส่วนโทษความเป็นทุกโทษฝ่ายหยาบยาบอย่างข้อที่หนึ่งการฆ่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณมีบุญมีคุณค่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น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 การผิดจรีดประเพณีสามีภรรยาบุตรที่ดามันก็ไม่ดีการโกหกหลอกลวงกันก็นไม่ดีการดื่มน้ําเมาการเมาการเห <c oughs> มือนการเมานี่ไม่ดีลวดด้วนแต่ของที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ ด, ม ด, มดีทั้งนั่นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต้องการเป็นคนดี เ, เวีนจากความไม่ดีนี่เสียมันผิดตรงไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉะนั้นน่ะเมื่อมองสภาพส่วนรวมของโลกมองแบบกงก่วงนี่ลองวัดดูที่ว่าเอาศีลห้าเนี่เข้าไปวัดดูแต่ได้ชาติชั้นวันลนะแต่ละหมู่แต่ละพวกพฤติกรรมความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์นี่จะผิดมากน้อยขนาดไหน เหตหลักเขตผิดหลักความเป็น <c oughs> ไปเพื่อความสงบสุขมันผิดมากน้อยขนาดไหนเราจะไปสงสัยอะไร ấy? สิเมื่อผิดไอหลักความเป็นศีลเป็นธรรมนี่ความเป็นศีลเป็นธรรมมันจะมีเหลือที่ไหน ล, ล่ะสิกีกับนิสัยจิตนิสัยความเป็นมนุษย์นั่นแหละฉะนั้นพฤติกรรมศีลธรรมมันไม่มีการควบคุมอยู่ มันก็แสดงแต่เรื่องกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายมันจึงมีแต่ปัญหาเมื่อเป็นอย่างนี้จะหาความสงบสุขได้ที่ไหนละชีวิตความเป็นอยู่นักบวชก็เหมือนกันสินแปดประการคือโคก้งดเว้นงงโค้งดเว้นจากโทษแปดประการสินสิบประการก็คือข้องดเว้นจากโทษสิบประการ ตลอดถึงสองร้อยยี่บเจ็ดเกี่ยวทางจิริยามารยาตนอกนั้นมีมากมายเหลือหลายกลั <c oughs> <c oughs> วจะเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าพฤติกรรมความเป็นอยู่ของตัวเองที่แสดงออกทางกายทางวาชาจิตใจนั้นมันผิด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 ฉะนั้นจึงเรียกว่าวินัยวินัยคือกิริยาแห่งการบังคับเลี่ยเบียบกิริยาแห่งการกระทาตามเมื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องทาตามอย่างท่านสอนพระองค์สอนให้มีการรักษาศีล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 กิริยาที่แสดงออกความสามัคคีทาความพร้อมเพียงอย่างที่พวกเรากระทำกันอยู่อันนี้คือระบบอันนี้คือระเบียบคือสิ่งที่ทำตามนั่งกระนั่งอยู่ในความสงบจะนั่งฟังกระนั่งอยู่ในความสงบ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 อย่างที่บริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ต้องมีสติธรรมความระลึกคำใจของเราให้อยู่กับคําบริกรรมบังคับจิตใจของเราให้อยู่กับคําบริกรรมนั่นหรือว่าบังคับกิเลสมาให้มันกําเริบเสบสารฟุ้งซ่านขึ้นก็แล้วแต่จะแยกมาพูดถ้า เรียกว่าเป็นการบังคับจิเลศไม่ให้มันกำเนิบขึ้นไม่ให้มันฟุ้งซ่านขึ้นก็เป็นการบังคับจิเลศหรือว่าเรียกว่าบังคับจิตใจของเราเข้าสู่คำบริกรรมให้เป็นสมาธิก็เป็นการบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบคือคำบริกรรมนั้นกิรยาที่เรามีความเข้าใจตั้งมั่นเสื่อมั่นอย่างนี้ ปัทาความเชื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เมื่อกระทํากากับจิตใจของเราให้อยู่กระําบริกรรมอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้การบังคับกากับจิตใจของเราให้อยู่คาบริกรรมอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ เมื่อพระองค์สอนอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องเราบริกรรมนี้เป็นการกระทําที่ถูกแล้วแล้วก็ต้องบังคับเราบังคับให้เข้าสู่คำบริกรรมนั้นกิริยาการบังคับกิริยาการกระทํานี้ก็คือระเบียบของผู้ปฏิบัติการกระทําอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าระเบียบต้องทาตามเป็นกิริยาของ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 ถึงจะอยู่น้อยน้อยคนน้อยองมันก็ไม่มีปัญหาถึงจะอยู่มากองมันก็ไม่มีปัญหาเพราะเรื่องของใครของเราที่ของใครของเราที่เดินจงกรมก í, assim, ับของใครของเราที่นั่งสมาธิกับของใครของเราวิธีเดินจงกรมก็ศึกษารู้แล้ววิธีนั่งสมาธิก็ศึกษารู้แล <c 'm British esterol> ้ว <fo>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 รู้เรื่องความผิดความถูกจีิไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนให้ตนและบุคคลอื่นทีนั้นแต่พอไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิ น, นัยมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องก่อเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษฉะนั้นการศึกษาเพื่อเข้าใจระบบระเบียบ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 ตัญหาทั้งหลายที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรานั่นแหละถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้นึกเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ความเป็นโทษมันให้โทษเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เข้าใจ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 อย่างน้อยๆให้เราเข้าใจว่าเป็นอยู่ด้วยบุญเป็นอยู่ด้วยคุณเป็นอยู่ด้วยบุญเป็นอยู่ด้วยกุศลวาสนาบาลามีให้เราเข้าให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เกิดความสำนึกขึ้นมาว่าความดีเกิดกับเรานี่เป็นเพราะบุญเป็นเพราะกุศล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 จงมีแดดพวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิน